สังคพัตตาธิอนุชานนะว่าด้วยทรงอนุญาตสังคพัตเป็นต้นครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอาลวีตามพระอัธยาศัยแล้ว สเสด็จจาริกไปทางกรุงราชครื้สเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงราชครื้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรวุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตในกรุงราชครื้นั้นสมัยนั้นกรุงราชครื้เกิดข้าวยากมากแพง ประชาชนไม่สามารถจะจัดสังคพัฒแต่ปราถนาจัดอุเทสพัฒนิมันตนพัฒสลาพัฒปักขีกะพัฒอุปสถิกะพัฒปาติปัติกะพัฒภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาค รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังขพัตนอุเทสพัฒนิมันตนพัตสลา พ, พัตปักขิกะพัตอุปสถิกะพัตนปาติปฏิกะพัฒ